ทมบันก่อนะได้พูดถึงอุบายใหม่นะของพวกมิชฉาชีพคอยจะคอยจ้องดูนะใครจอดรถอยู่ริมถนนแล้วออกไปทำธุระอาจจะไปกินข้าวในร้านหรือซื้อของในร้านเซเวนระหว่างนั้นเนี่ยมิชาชีพก็จะเอาแบงค์ธนบัตร100บ้าง500บ้างมาเสียบ ตรงที่ปัดน้ําฝนปัวเจ้าของรถกลับมาขึ้นรถจะสตาร์ทรถหรือสตาร์ทเสร็จก็เห็นธนบัตรอยู่ตรงที่ปัดน้ําฝนส่วนใหญ่ก็จะทํายังไงก็จะลงจากรถเพื่อที่จะมาหยิบธนบัตรมันเหมือนลาบรอยนะใครเห็นก็ยินดีที่จะได้มัน แต่พอลงจากรถมิชช่ชีพก็ซึ่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะรีบขึ้นรถขณะที่เจ้าของรถอยู่ข้างนอกแล้วก็รีบขับรถหนีออกไปเลยหรือมิฉชนั้นก็อาจจะมาป้นจี้นะเจ้าของรถซึ่งยืนอยู่ข้างนอก อาจจะปล้นเอาเงินที่เอาทองไปหรือจะทำอย่างอื่นซึ่งไม่เป็นผลดีนะกับเจ้าของรถอุบายของมิจฉาชีพก็มีง่ายๆคือหาทางทำให้เหยื่อเนี่ยลงจากรถหรือออกจากรถเพราะถ้ายังอยู่ในรถมิจฉาชีพก็ทำอะไรไม่ได้ แย่ไปีที่จะล่อให้เหยื่อนี่ลงจากรถก็ต้องหาสิ่งที่ชวนให้เหยื่อเน่เกิดความสนใจและไม่ใช่สนใจเฉยๆเกิดความอยากได้จนต้องลงจากรถแล้วนั่นก็เป็นโอกาสที่มิจฉาชีพ จะทำสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นการขโมยรถขับรถหนีหรือว่าร้นจีนะ้ผู้เป็นเหยื่อเพาะว่าไปนี่มันก็เป็นอุบายที่มาเนี่ยก็ใช้นะกับใจของเราเนะ่มาเนี่ยก็อยากจะมาเกาะกลุ่มใจของเรา บงการใจของเราและวิธีการคือว่าหาทางล่อให้จิตเนี่ยมันส่งออกนอกพอจิตส่งออกนอกมันก็เป็นโอกาสนะที่มานี่จะเข้ามาครองจิตครองใจของเราอะไรที่จะทำให้เรานี่ส่งจิตออกไปข้างนอกได้เนี่ยก็ได้แก่สิ่งที่ถูกอกถูกใจ เช่นรูปรสกลิ่นเสียงที่พึงปรารถนาที่น่ายินดีบางทีท่านก็ใช้ควาว่าการ ม, มาสุขหรือการเฉยๆการคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมปัสที่น่าพอใจเป็นตัวร่อให้จิตเนี่ยออกมาออกมาจากอะไรนะออกมาจากความรู้สึกตัวแต่ตน่จิตเนี่ยยังอยู่ในความรู้สึกตัวหรือยอยู่ในอยู่ในภาวะแห่งความรู้สึกตัวเนี่ย มานี่มันทําอะไรไม่ได้นะเหมือนกับเหยื่อถ้ายังอยู่ในรถเนี่ยมิจฉาชีก็ทําอะไรเจ้าของรถไม่ได้ก็ต้องหาทางล่อให้ลงจากรถหรือออกจากตัวรถถึงตอนนั้นแหละนะมิจฉาชีก็สามารถจะทำอะไรกับเหยื่อก็ได้ใจเราก็เหมือนกันนะแต่ตอนที่ใจเราอยู่ในความรู้สึกตัวเนี่ย มานี่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะมาก็ต้องรอให้ใจเนี่ยมาหลุดหรือออกจากความรู้สึกตัวก็ต้องหาอะไรมารอนะก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจซึ่งถ้าหากว่าใจเนี่ยนะผนพลันขาดสติออกไป จดจออยู่กับสิ่งภายนอกเอาไปคุกเขาคลอเคลียด้วยความยินดีไม่ว่าจะเป็นรูปที่แต่ตาติดใจเสียงที่ไพเราะหรือว่ากลิ่นที่หอมพอลหลงไหลเพลิดเพลิ น, นก็ถาขาว่าเป็นโอกาสเปิดช่องให้มาเนี่ยเข้ามา เข้ามาควบคุมจิตเข้ามาบงการจิตหรือครอบงำจิตเหมือนกับมิชาชีพก็เข้ามาปนจี้หรือว่าล็อกคอเหยือ่อซึ่งถูกล่อให้ออกมาจากตัวรถอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักว่าเวลาจิตเนี่ยมันส่งออกนอกออกไปจดจอคุกเคล้าคอเคลียร์เพลิดเพลินหลงไหล ในรูปรสกินเสียงสัมผัสที่น่ายินดีเนี่ยตอนนั้นจิตเนี่ยมันตกอยู่ในภาวะที่อันตรายนะมานี่ก็สามารถจะเข้ามาจู่โจมนะจับกลุมหรือควบคุมบงการบังคับให้จิตนะตกอยู่ในหน้าของมัน นั่นตาบใดที่จิตเนี่ยยังอยู่ในความรู้สึกตัวตามนั้นก็เรียกว่ายังอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยไรยอันตรายพลงาคือไร้ทุกข์จิตที่อยู่ในความรู้สึกตัวเนี่ยหรืออยู่ในการดูแลของสติเนี่ยพุทธเจ้าก็เปรียบ ม, มือนกับว่าเป็นเป็นถิ่นนะ เป็นถิ่นที่ปลอดภยัยท่านใช้คว่าถิ่นของพ่อถิ่นของพ่ออันนี้ก็พระองค์เนี่ยเคยตัดเป็นเรื่องเล่าถึงนกตัวหนึ่งนะเป็นนกมูลไถนกมูลไถเนี่ยมันก็หากินอยู่ตามรอยไถนะ่ในนา มันก็หากินอยู่ตรงนั้นแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันอยากจะไปหากินนอกถิ่นของมันบ้างอยากจะไปเจออะไรใหม่ๆเจอสิ่งที่แปลกผูแปลกตาพอออกไปหากินนอกถิ่นปรากฏว่าเจอเหี่ยวตัวหนึ่งเนี่ยพุ่งลงมาโฉบคว้า นกมูลไถยอาศยากรขึ้นฟ้าเนยนกมูลไถยพอรู้ข้ามันก็ก็ร้องนะว่าเนี่ยนี่เป็นเพราะเราเนี่ยออกจากถิ่นของพ่อนะเราจึงถูกเยี่ยวตัวนี้จับกลุ่มได้ถ้าว่า เราเนี่ยยังคงอยู่ในสิ่งของพ่อเนี่ยไม่มีทางเลยหน้าที่เดียวตัวนี้จะจับกลุ่มเราได้เลยก็เป็นการคร่ำครวนนะหรืออาจจะเป็นการบอกเล่านะเป็นอุบายก็ได้เหตุตัวนั้นได้ยินเนี่ยด้วยความรำพองใจในความสามารถในความเก่งกาของตัวเนี่ยก็เลยบอก นกตัวนั้นว่าเนี่ยไหนทิ่นของพ่อเจ้าอยู่ตรงไหนมันถามเพื่ออะไรเพื่อจะพิสูจน์ว่าแม่นกมูลไทยเนี่ยอยู่ในทิ่นของพ่อก็ไม่มีทางพ้นเงื่มมือของเราได้นกมูลไทยก็เลยวาเนี่ยข้างล่างนี่ไงตรงเนี้ยเป็นทิ่นของพ่อเราเดีย๋ยวเนี่ยมันต้องการพิสูจน์ว่าเนี่ยมันมีความสา ม, มารถนะ ไม่ว่านกมูลไทยอยู่ตรงไหนก็ไม่มีทางพ้นเงื้อมมือของมันได้มันก็เลยนะล่อนลงมาแล้วก็ปล่อยนกมูลไทยเนี่ยยังตำแหน่งที่เป็นที่ของพ่อของนกมูลไทยนกมูลไทยเนี่ยพอลงถึงพื้นเนี่ยนะก็ไปที่ลอยไถทันทีนะเป็น เป็นมูลดินที่เกิดจากรอยไถนะเวลามีเวลาไถเนี่ยมันก็จะมีมูลดินหรือก้อนดินเนี่ยโผล่ขึ้นมาและพอแห้งเนี่ยนะมันก็จะมีร่องมีรูให้นกมูลไถเนี่ยเข้าไปซ่อนอยู่ได้เพราะนกมูลไถนะถูกทิ้งไว้ตรงตำแหน่ง ที่มันคุ้นเคยเนี่ยขณะที่นกเหยื่อเนี่ยลอยอยู่บนฟ้าแล้วนกบุญถ่ายก็ท้าทายเหยี่ยวเลยบอกมาเลยมาเลยมาจับเราเลยท่านน่ะไม่มีทางทําแล้วเราได้หรอกเพราะตอนนี้เราอยู่ในถิ่นของพ่อแล้ ว, วเหยื่ยวนี่ถูกท้าทายก็ก็รีบพุ่งโฉบลงมาเลยนะ พุ่งโฉบลงมาด้วยความเร็วนะหมายจะขยุ่มนกมูนไถยนกมูนไถเนี่ยก็ยืนอยู่บนกองดินที่เกิดจากคันไถนะและพอนกเหยี่ยวเนี่ยโฉบลงมาเกือบถึงพื้นนกมูลไถยก็รีบหลบเข้าไปอยู่ใต้กองดินซึ่งเกิดจากรอยไถ เยียวเนี่ยมันโชว์มาด้วยความเร็วมันยังไม่ทันนะผลก็คือมันก็หน้าอกมันก็กระแทกกับมูลดินหรือก้อนดินนั้นตนตายคาที่เลยนกมูลไถ่ก็เลยปลอดภัยพู้เจ้าก็เลยจัดเป็นเป็นบทเรียนว่าเนี่ยนกมูลไถ่เนี่ยปลอดภัยเพราะว่าอยู่ในถิ่งของพ่อฉันใดนะ ภิกสูทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่พึงนะไปอยู่ในถิ่นอื่นที่เป็นอโคตจรแต่ควรอยู่ในถิ่นที่เป็นถิ่นของพ่อเพราะว่าถิ่นของพ่อเนี่ยแหละนะจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่มาเนี่ยก็ไม่สามารถจะได้ช่องหรือทาอันตรายได้ แต่ถ้าหากว่าไปอยู่ในชินอื่นอันเป็นอโคตจรเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นอันตรายนะก็จะเกิดอันตรายเพราะมารก็จะมาทำร้ายนะชินอื่นหรือชินอโครจร น, นี้มาถึงอะไรนะก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจถ้ า, าว่าไปเพลิดเพลินยินดีหลงไหลในในสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเพียงพำแก่มารได้ แต่ถ้าไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่ามีสติรักษาใจอยู่ในความรู้สึกตัวมันก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นนิทานนะที่ให้ข้อคิดที่ดีนะแล้วก็มันก็สอดคล้องนะกับอุบายของมิจฉาชีพในเวลานี้เนี่ยที่เขาก็พยายามทำทุกอย่าง เพื่อล่อให้เหยื่อเนี่ยมาอยู่ในจุดนะที่เขาจะทำ้ายได้ถ้าอยู่ในรถก็ต้องออกมาจากรถต้องร้อยออกมาจากรถนะเพื่อที่เขาจะได้นะทำแผนชั่วร้ายได้จิตของคนเราก็เหมือนกันนะถ้าว่าจิตของเราเนี่ยยังอยู่ในความรู้สึกตัวอยู่ในการดูแลของสติ ไม่มัวหลงไหลเพลิดเพลินกับสิ่งภายนอกซึ่งอาการที่หลงไหลเพลิดเพลินนี่เราก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจที่เราเรียกลมรวมว่าสิ่งเย้ายวนนะหรือสิ่งร่าเร้าเท่านั้นนะในสิ่งยั่วยุนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกัน สิ่งยั่วยุคือยั่วยุให้เกิดความไม่พอใจเกิดความหกรธเกิดความโกรธเพราะว่าพอเราไม่พอใจในสิ่งใดมันก็มักจะส่งออกไปเพื่อไปผักไสสิ่งนั้นคือส่งจิตออกไปผักไสสิ่งนั้นอย่างเช่นเวลาเรา มีเสียงมากระทบหูเราเราไม่พอใจในเสียงนั้นเนี่ยจิตของเราทำยังไงจิตมันก็พุ่งออกไปเลยนะอย่างเสียงหรือแหล่งที่มาของเสียงจะเป็นเสียงโทรศัพท์เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงริงโทนหรือว่าเสียงคนพูดคุยถ้าไม่พอใจในเสียงนั้นเนี่ยจิตมันก็จะพุ่งไปเลยนะแล้วก็ไม่ไปรับรู้สิ่งอื่น ตนนั้นเนี่ยมันมีอาการหงุดหงิดมีความไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นมาและมันไม่ใช่แค่เสียงอาจจะเป็นรูปก็ได้เห็นคนที่เราชังไม่ชอบใจทั้งที่ทกําลังคุยอยู่กับเพื่อนแต่พอเห็นเขาโผลมาแม้โผลมาในที่ไกลๆใจนี่นก็พุ่งไปตรงนั้นเลยไม่สนใจนะเพื่อนที่กําลังคุยหรือสนทนาอยู่รอบตัว อันนี้ ว, ว่าส่งจิตออกนอกเหมือนกันแต่ไม่ได้ส่งจิตออกนอกด้วยด้วยความเพลิดเพลินด้วยความยินดีนะแต่ว่าเป็นการส่งจิตออกนอกด้วยความไม่พอใจด้วยความยินร้ายสิ่งที่น่า ย, ยินดีเนี่ยก็อยากจะเข้ามาครอบครองแต่ว่าสิ่งที่ไม่ยินดีเนี่ยก็อยากจะผักใสอันนี้ก็เปิดช่องให้มานี่เหมือนกันนะอ่าเป็นมานที่ชื่อว่าโทสะ ส่วนการมาสุกเนี่ยนะมาที่เข้ามาครอบคลองใจบงการใจก็คือโลภะหรือราคะแต่ไม่ว่าโลภะราคะหรือโทสะนี่มันก็เป็นอันตรายต่อใจทั้งนั้นดัาการคลองใจให้อยู่ในความรู้สึกตัวอยู่ในการดูแลของสตินะมันจึงเป็นหนทางที่ปลอดภัยมากที่สุดบางทีเราก็เรียกว่าครองตนหรือเรียกว่าครองสติ ครองสติก็คืออยู่ในการปกครองอยู่ในการดูแลของสตินั่นเองหรือเอาสติมามาดูแลใจมาครอบครองใจซึ่งก็ทําให้เกิดความปลอดภัยขึ้นมาถ้าใจเราอยู่ในความรู้สึกตัวเนี่ยนะโดยการดูแลของสติเนี่ยมันก็เรียกว่าปลอดภัยนะเหมือนกับอยู่ในถิ่นของพ่ออยู่ในการดูแลของพ่อ มันก็ธรรมดานะสำหรับปุุ้ชนเนี่ยก็มักจะเผลอใจส่งจิตออกนอกออกไปยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งที่น่าพอใจหรือผลักไสสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ถ้าเกิดว่าเรามันเจริญสติมันทำความรู้สึกตัวอยู่เนือง เวลาส่งจิตออกนอกและใจมันก็เพิ่มขึ้นมาจะเป็นเพราะอำนาจของความยินดีหรือยินร้ายก็าตามเนี่ยมันก็เหมือนกับส่งสัญญาณนะให้ใจได้รู้ว่าเนี่ยตอนนี้มันเกิดภาวะที่ไม่ปกติขึ้นแล้วเหมือนกันมีสัญญาณเตือนนะจิตที่ถูกฝึกมาอย่างดีเนี่ยนะก็จะรู้เลย แล้วก็จะถอนออกมาจากสิ่งภายนอกเหล่านั้นกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมีความรู้เนอรู้ตัวตรงนี้มันเป็นงานของสติเลยนะนเวลาใจเกิดกับเพื่อมขึ้นกับเพื่อมลงหรือเกิดความยินดียินร้าเนี่ยมันเกิดภาวะที่ไม่ปกติเกิดขึ้น นะมันเหมือนกับเวลามีใจกระเพื่อมเนี่ยมันเหมือนกับมีมแมลงเนี่ยมาเกาะติดอยู่ในใยแมงมุมแมงมุมเนี่ยมันรู้ว่ามีเหยื่อเนี่ยมาติดใยของมันเนี่ยจากอะไรนะก็จากแรงกระเพื่อมหรือแรงสั่นสะเทือนเพราะใยแมงมุมเนี่ย บอ บ, บางแต่หนามากนะหนามากคือว่ามันแข็งแรงแม้ว่าเหยื่อนี่จะขย่าวยังไงมันก็ใ ย, ยก็ไม่ขาดแต่ยิ่งขย่าวก็ยิ่งมีการส่งสัญญาณให้แมงมุมเนี่ยมารู้ว่าเนี่ยมีเหยื่อติดใยแล้วแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันทำให้แมงมุมนี่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใยของมัน เช่นเดียวกันนะความกระเพื่อนของใจเนี่ยสำหรับคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่ามันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นมีความคิดอารมณ์ความยินดียินร้ายจิตเนี่ยที่เคยส่งออกนอกมันจะถอนมาเลย กลับมารู้เนือรู้ตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยากนะที่มาเนี่ยจะเข้ามาบงการจิตใจหรือจะเข้ามาทร้ายจิตใจได้เพราะก่อนที่มันจะเข้ามาทำลายใจนะเพราะว่าใจมันเผลอออกไปอยู่ข้างนอก ใจก็รีบกลับมานะอยู่ในความสึกตัวซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยก็คงคล้ายๆกับเต่าเนี่ยที่มันพอหดหัวเข้าอยู่ในกระดองเนี่ยไม่ใช่หดหัวอย่างเดียวนะหดขาทั้งสี่อยู่ในกระดองนีก็ปลอดภัยความปลอดภัยของเต่าอยู่ที่ว่าเนี่ยจะหดนะระยางเนี่ยทั้งหัวทั้งขาเนี่ยเข้าไปในกระดองได้เร็วไหม จิตที่มีสติของเขาสึกตัวเนี่ยที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยนมันจะกลับเข้ามารู้เนื้อรู้ตัวกลับมามีสติได้ไวนะไม่มัวเพลิดเพลินยินดีหลงไหลนะในสิ่งร่อเร้าหรือว่ามีความขุ่นมัวไม่พอใจในสิ่งยั่วยุนะจนกระทั่งเกิดกิเลสเกิดโทษเกิดทุกข์ขึ้นมาอาการแบบนี้บางทีเราก็เรียกว่า รู้ทันนะรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอคิดลบนะใจมัน ก, ก็กับเพื่อมพอมีอารมณ์อก้สนใจ ก, ก็กับเพื่อมแม้แต่คิดบวกเกิดความยินดีนะใจมันก็ ก, กเพื่อมได้เหมือนกันไม่ว่าคิดลบหรือคิดบวกไม่ว่ายินดีหรือยินลายนะมันก็เป็นทั่วกับใจได้ทั้งนั้นเพราะถ้ายินดีมากไปก็ ความทุกข์หรือว่ามานี่ก็เข้ามาเล่งงานได้คนที่พลาดท่าเสียทีเพราะความยินดีนะมันก็มีเยอะละเพราะว่าพอยินดีมากๆเขาก็หลงตัวลืมตนนะทําในสิ่งที่เกิดทั่วกับตัวเองขับรถถ้ายินดีนะเพราะว่าถูกรัตตอรี่หรือเพราะได้ข่าวว่าลูกเนี่ย ลูกที่เพิ่งคลอดจะเป็นลูกชายโอ้ดีใจมากบางทีได้ลูกแฝดด้วยดีใจขับรถไปหาภระระยาะด้วยความดีใจแต่ความดีใจมันมากล้นนะจนลืมเนื้อลืมตัวแหกโคง้งอาจจะชนสายฟ้าหรือว่าอาจจะไปชนคนที่กำลังข้ามถนนหรือว่าไปประสานงานกับรถบรรทุกก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายินดีหรือยินร้ายไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะท่านจึงสอนว่าให้รู้เฉยๆให้รู้ซื่อๆนะก็คือว่าไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลาตามมีความคิดดีเกิดขึ้นก็ไม่ไหลไปตามความคิดนั้นมีความคิดไม่ดีก็ไม่ผักใสอย่างที่หลวงพ่อค เ, เขียนผูดว่าเนี่ย คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคือแค่รู้นะรู้แบบรู้ซื่อๆมันไม่ใช่แค่รู้ทันหรือแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นถ้ารู้แล้วพอยยินดีอันนี้ก็เกิดโทษแค่รู้ลอกเกิดความยินร้ายก็เกิดโทษเหมือนกันรู้โดยใจที่มั่นคงนะไม่กระเพื่อมอย่างที่เราสวยกันเนี่ยมีตอนหนึ่งเนี่ย ในบทพระเทกระตะคาถาผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนงานคลอนแคลนธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยนะจะหมายถึงธรมคือรูประกินเสียงภายนอกก็ได้หรือมาถึงความคิดะอารมณ์ภายในก็ได้เห็นแล้วเนี่ยไม่งอนเงานคลอนแคลนคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจยไม่กลับเพื่ม เรียกว่ารู้ด้วยใจที่เป็นอุเบกขาใจที่มั่นคงท่านสอนว่าเนี่ยให้ทำเช่นนั้นอยู่เนืองเนืองผู้ใดที่เห็นทำเชาะหน้าที่เกิดขึ้นในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอนงานค่อนแคลนขอควรพ่อบุณณาการเช่นนั้นไว้ถ้าก็ว่าเรานะฝึกจิตให้มีสติความสึกตัวไม่มัวแต่ พยายามฝึกจิตให้นิ่งหรือว่าบังคับจิตให้สงบแต่ว่ายังมีความรู้สึกตัวได้ไวรู้ทันความคิดและอารมณ์ได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะเห็นหรือรู้มันด้วยอาการที่สงบมั่นคงนะไม่คลอนแคลนเนี่ยอันนี้ยิ่งเท่ากับทำให้ใจเนี่ยมีเครื่องรักษา มีเครื่องอารักขาําให้ปลอดภัยไม่ว่ามารจะมารอเร้านะย้อนยวนหรือยั่วยุยังไงเนี่ยก็ไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์ได้และพอใจปกติแล้วเนี่ยการที่จะรักษาตนครองตนให้อยู่ในความดีมีศีลมีธรรมหรือไม่ก่อทุกข์ให้แก่ตนเองแล้วผู้อื่นมันก็ยิ่งเป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยการพยายามรักษาใจให้อยู่ใน สิ้ที่ปลอดภัยเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จช่วยให้ใจเราเนี่ยเป็นปกติสุขแดงแท้จริง